เรื่องอบรมพระนุม่มตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้่ปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนกล่าขอสแสดงความเคารพนับถือเพื่อนสัตยมิกผู้ไฟในธรรมผู้ไฝ่หา สันติบทหนทางที่จะพ้นจากทุกขังหลายโดยทั่วกังทุกรูปทุกองคในโอกาสนี้วันนี้เป็นวันที่สามแล้วที่เราทั้งหลายได้มารวมมาประชุมกันได้มาฝึกอบรมสมาธิภาวนาเพื่อการทำจิตตศึกษาคือการศึกษาทางจิตอันยิ่งตามคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งกับผมเองกูเป็นหัวเรือใหญ่ที่เรียกว่าโตโขใหญ่ oh <c oughs> ก็รู้สึกยินดีในก็อนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายแต่ขออภยัยคุ้มเสียงไม่ไหวช่วงนี้นะเพราะว่าพาูดฟังมากงานนั้นก็เยอะท่าน่ท่านเห็นอยู่ในบอร์ดวันนี้เราควรจะได้พูดกันในแง่ ม, มุม ของการปฏิบัติซึ่งเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงหลังจากสอบแล้วของทุกๆปีที่นี่หลังจากสอบแล้วสิบวันเราได้เรียนภาควิชาการกันมาหนึ่งปีเต็มทางปรยิยญาและเราจะต้องมาเรียนภาคปฏิบัติการคือทางอธิจิตตศิขา อย่างน้อยต้องหนึ่งเดือนหึ่เต็มที่นี้แต่บางเอิญปีนี้การสรอบก็ดีมันก็มีปัญหาดังที่ท่นานเมงไลได้รู้ได้ทราบกันไปมันก็เลยเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเลื่อนเลื่อนเรื่องการฝึกอบรมกันมาจนถังเดือนนี้แล้วก็ยังน่าอนุโมทน า, งงาเพราะว่าปีนี้มีแต่ยางเติก มีแต่พระนุ่งเล่นน้อยส่วนหลวงพ่อหลวงตาท่านก็ไม่หมาปีรถนปดิแน่นอนอยู่แล้วว่าการฝึกอย่างนี้ไม่มีใครอยากจะมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ชวนให้สนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งมันไม่เหมือน ก, นกันกับที่เขาจัดกันเป็นงานอยากจัดปริวาเจ็ดวันสิบวัน มีผู้คนไปทำบุญทาทานเยอะๆอาหารการกินอุดมสมบูรณ์หรือยิ่งไปกว่านั้นก็ได้รับเงินค่ารถค่าเรืออะไรต่างๆเหลเ น, นี้แต่ของเราเราไม่ถือว่าเป็นการจัดงานอย่างนั้นเราถือว่าเป็นการกระทำตามหน้าที่ของพระทรงฆ์งเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วในเขตของเราสกคนคร ในเขตอำเภอวันนนท์นวาดคําตะก้าอากาศอํานวยแทนนี้รู้สึกว่าจะเป็นมุมอัพับอับจนหน่อยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพูดก็พูดเธอเราก็เลยมาพูดให้กันฟังอืมาพูดถึงความในใจให้กันฟังกับความรู้สึกในเขตของเราถิ่ของเราเนี่ยหาทํายาหยอดตาแทบไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติทางสมาธิภาวนา ก็จะมีพวกครูบางอาจารย์ฝ่ายธรรมยุทธติดกันกายซึ่งฝ่ายธรรมยุทธ์นั้นแน่นอนประชาชนให้ความเคารพนับถือกูดวินของท่านดีมากหรือปฏิปทาของท่านภายนอกงดงามเรื่องสิเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ปรมาจารย์ใหญ่อย่างท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์ฟันอาจารย์วัน อาจารย์จวนอาจารย์แบนอาจารย์อะไรต่างๆเยอะแยะเป็นแบบเป็นอย่างเป็นแม่เหล็กใหญ่ดึงดูดจิตใจของประชาชนเพราะฉะนั้นพระโพธ์ของพระป่ายมหานิกายคือพระโบราณผมใช้คำว่าพระโบราณท่านท่างลายยังงงเพราะว่าป่ายมหานิกายของเรานี่เป็นเป็นพระโบราณพระเก่าแก่ดั้งเดิมมาสมัยแต่ไหนแต่ไรแล้ว ค่านิยมก็เลยทําให้ประชาชนเข้าใจไปไฝ่เขวว่ า, วาพระมหานิกายเป็นพวกปฏิบัติไม่ดีไม่งามไม่ไม่จะเข้าในอจํานวนหนึ่งของรัตนไตรก็ไปเลือกที่หน่าคิดนะและส่วนมากพวกเราก็มักจะเป็นอย่างนั้นอีกด้วยทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่นิกายหรอกมันอยู่ที่ตัวบุคคลส่วนมาก จะนี้ผู้ฝักใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติทางอธิคิตตศิกขาทางสมาธิภาวนาทางกิตตภาวนาเมื่อมีความเรื่องใสในสัตนาต้องการจะพ้นจากทุกข์จะบวชก็ต้องไปบวชเป็นธรรมยุทธ์เพราะเห็นว่าฝ่ายโน้นเป็นฝ่ายที่ประพฤตปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์ส่วนฝ่ายมหานิกายนี่อย่างเก่งก็มีแต่เรียนในลักษณะเช่นนี้ค่อนข้างจะเป็นความจริง แต่วันนี้ทางภาควิชาการที่เราได้รับเรียนมาแล้วก็เรียนหลักสูตรเดียวกันทั้งฝลายทั้มยุทธและฝ่ายมาหานิกายมันก็เลยทําให้เราเข้าใจอะไรต่ออะไรมากยิ่งไปกว่านั้นเพระแต่ปิดกของเราได้แปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษอาเป็นภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษภาษาอะไรต่างประเทศจนเรียบร้อยไปหมดแล้วอย่างเนี้ยมันก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ให้เราได้มองเห็นได้ชัดเจนว่า การประพฤติการปฏิบัตินั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาในะเมื่อเราเข้าใจสางภารวิชาการแนละ้วแต่มันก็มีปัญหาขึ้นมาตรงที่ว่าเราไม่ทํากันเราไม่ทํากันจริงๆนะเมื่อมันเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายพระหนุ่มเนน้อยที่ได้มารวมกันในป่าแห่งนี้เราอยากได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องใหม่ขอยเข้าใจวันนี้เป็นเรื่องเก่า เป็นเรื่องดังเดิมที่พระพุทธเจ้าพระอรหรันต์พระริยาเจ้าทั้งหลายทากจะทํำกันอย่างนี้การศึกษาในทางพุทธศาสนามันก็มีสามอย่างตัวนี้คือสินสิกขาจิตตะสิกขาปัญญาศิกขาแล้วก็มาเพิ่มเข้ามาอาธิสินสิกขาอธิจิตตะสิกขาอธิปัญญาสิกขาเพิ่มขึ้นมาอีกการเพิ่มขึ้นมานี้ก็ เพื่อให้มันยิ่งยิ่งใชกว่ายิ่งอาทิอีกไปว่ายิ่งอาทิตจิตสศึกษาการศึกษาทางจิตอันยิ่งอาทิปัญญาศึกษาการศึกษาทางปัญญาอันยิ่งไอ้พวกนี้ค่อยเราทั้งหลายได้เข้าใจวันนี้เป็นวันที่สามแล้วที่เราเริ่มในการศึกษาทางจิตจากนี้แต่ผมอดไม่ได้ที่จะแสดงความ ที่อกดิใจที่เห็นพืชสาตสมิตรทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจกันประพฤปฏิบัติหนึ่งทางสมาธิภาวนานโดยเฉพาะท่านที่มาจากต่างอาวาสต่างวัดก็คงจะยังไม่คุ้นเคยกับการฉันอาหารมือเดียวการฉันอาหารในบาแล้วการเป็นอยู่เรียบง่ายใต้โคนไม้อยู่ในกติลักษณะเช่นนี้ กตผมอยากจะบอกว่าในสมัยพุทธกาส น, นั้นถือว่าดีที่สุดนะที่มีอาหารอย่างที่เราได้ฉันทุกวันตามากุงเนี่ย <c oughs> แกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้ที่ที่ยมเข้าถวายมาไกลจากทางนงคมสมง้อยก็บอกให้ทราบแล้วว่าแถวบ้านเราเมืองเราแถวคำตะกาวานนอนอากาศบัตรม่วงหรือแม้แต่บ้านแพทย์ตรงนี้ ไม่เคยมีเมื่อก่อนไม่เคยมีการประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้นก็เลยเห็นเึ็นเรื่แปลกแล้วมันก็เลยเป็นความโชคดีของพวกเราความโชคดีของพวกเราที่เกิดมาในยุคที่ไม่มีใครมารบกวนแล้วที่วัดนี้ก็ไม่เคยมอมเมาบอกเลขบอกหวยบอกเครื่องลังของขังนัง่งทางในทำไสยาสระตกหม่อมเสกบาลทำน้ํามนต์ลดน้ํามันอะไรต่างๆไม่เคยมอมเมาคนก็เลยไม่มา เมื่อคนไม่มามากมันก็จะเป็นโอกาสดีที่พวกเราได้รับสบายยักระดิ่งแวดล้อมที่ดีที่งามสงบำลำนับไม่มีผู้คนมาพุกพ่านมารบกวนเพราะฉะนั้นเช้ามาเราเออกไปบินธบัดพอได้ข้าวเก็บปั้นแปะปั้นพออยูเก็บก็พอแล้วเนานะในสมัยพระพุทธเจ้าท่านลําบากยิ่งกว่านี้แล้วผมเองก็อยากจะปองต่อท่านทั้งหลายว่า การที่เราได้มาฝึกมาอบรมทางด้านสมาธิภาวนากันทางอธิกิตาสิกาเนี่ยโดยท่านนั้งหลายก็เล็งเป้ามาที่ตัวผมเป็นครูบาเป็นอาจารย์เขาบอกให้ทราบก่อนว่าผมก็คือกัะยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีคอยแนะนำให้คำปรึกษาเท่าที่ผมจะมีความรู้เพราะผมเองก็ใหม่ดังกล่าแล้วไม่มีบุญวาสนาได้ไประโยชน์ํานักใหญ่ๆกับครูบ า, าอาจารย์ผมสามปี แล้วมากันนี่ก็มีพระไม่เกินห้าพรรษานอกนั้นก็เป็นเลี้ยจ้ะจะทำชั้นตีชั้นโตชั้นเอกก็เห็นว่าจะเพียงพออยู่แล้วหละ่ะทางด้านวิชาการสำหรับตัวผมเองก็ดังกล่าวแล้วผมนั้นเมือกับเกิดมาผิดจุกิด็นสมัยที่ใจผมชอบที่สุดคือนั่งสมาธิเดือจนกลมทาความภาพเปลี่ยนทางจิตคนเดียววันวันหนึ่งไม่ให้เห็นหน้าใครเลยยิ่งดี ที่พูดนี้ไม่ใช่ขับไล่ใ ส, ส่ศอกไม่ใช่แช่งกันนะที่ท่านท้ะไลมาเยอะๆนั้นก็ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นการรบกวนผมหรอกแต่ตามใจจริงผมนั้นอยากจะอยู่คนเดียวทําความเพียรเดินไปเข้าป่าเข้าดงอะไรต่างๆพวกเนี้ยอย่างที่ครูบาอาจารยั้งหลายท่านๆแต่ผมก็ทําไม่ได้ไปอยู่ไหนกะ็มีคนติดตามไปในป่าในเขา เกิดมาในยุคที่โลกในกำลังขาดแคลนตินลธรรมสังคมกำลังเล่าร้อนด้วยวิกฤตต่างๆเพราะขาดแขนตางทรรเราก็เลยจะต้องมาทำงานนะดังที่เพื่อสะทนิมิตได้เห็นในป้ายในบอร์ดมันมากงานอย่างไปกลๆถึงอรัญญาประเทศนี่ผมก็ไม่รู้จะว่ากันอย่างไงไม่ไปก็เป็นเรื่องของเราเป็นหน้าที่ของพาะที่จะไปทางาน ก็ฉั ง, งานมันก็เลยหนักหน่วงแต่พอเห็นท่านตั้งหลายที่เป็นพระหนุ่มเนรน้อยมาด้วยกันเยอะๆมาฝึกสมาธิมาทำความเพียรกันเนี่ยทำให้ผมมีกำลังใจมากถ้าหาเพื่อสาธมิตรเหล่านี้มีอุดมคติมีอุดมการตอบพระศัสนากันจริงๆผมคิดว่าอาจจะมีใครบ้างดี่ตรงนี้มีบุญมีวาสนากตาที่การมีบุญญาบาลมี จะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยแก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแกเด่เจ็บตาชี้ทางออกบอกทางภูกนี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคนเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยพระศาสนาอมหวังอย่างนี้ที่ถ้าเราจะหวังไปส่วนกลางทางผู้หลักผู้ใหญ่ทา่ทานท่านกเน้นไปที่การศึกษาพรวิชาการ แต่ผมเห็นว่าการศึกษาทางภาควิชาการนั้นมันเพียงพอสมัยนี้เรียกว่ายุคควาสานทางวิชาการถ้าจะบิดกจากภาษาบาลีจากภาษาขอมมาเป็นภาษาไทยจากคําบาลีมาเป็นคําไทยแปลกันมาเสร็จเรียบร้อยเราสามารถที่จะค้นควาเจศึกษารู้มันเหลืออย่างเดียวก็คือการปฏิบัติที่นี่การปฏิบัติของเราในยุคนี้ในสมัยเนี้มันมีปัญหาอีกว่ามันมาก เป็นกกเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสายเป็นหมู่เป็นคณะในที่สุดเกิดอาการคอนฟ licting เข้ากันไม่ได้สำนักหนึ่งว่าอย่างหนึ่งสำนักหนึ่งว่าอย่างหนึ่งยกตนขมท่านตำนิติเตียน ต, ตั้งข้อรังเกียจซึ่งกันละกันผมเคยไปบางวัดแม้แต่นเนที่ถือว่าวัดที่มีคุณภาพที่สุดชื่อดำที่สุดอยากให้ออกชื่อเลย วิหารใหญ่มากบนภูเขาสูงขนาดผมขึ้นไปแม้แต่นเนนเขาก็ยังไม่ยอมกลาบไม่อยากจะพูดกับเราเขามองเห็นผ้าเหลืองๆเท่านั้นเองซึ่งมันไม่เป็นสีกลักอะไรต่างๆนี่ละการหล่อนห ล, อ, ลอมทางจิตใจทางวิญญาณครูบาอาจารย์เป็นอย่างไงลูกศิษย์ลูกหางก็เป็นอย่างนั้นเหมือนลูกปู่กับแม่ปู่ แม่มันพาเดินยังไงลูกมันก็เดินอย่างนั้นแม่มันพาเคร่งคัดทางวิในแล้วก็ตั้งข้อรังเกียดคนอื่นมันก็เป็นอย่างนั้นตายเป็นทิฏฐิมานะตันหาอุปาทานยิ่งใหญ่ขึ้นมาเห็นแล้วก็สมเพศเวทนาเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงทีนี้พวกเราอยากเป็นอย่างนั้นนั่นก็ผมขอร้องว่ามาที่นี่ฝึกที่นี่ศึกษาอบรมแล้ว อย่าได้พูดว่าสายของอาจารย์สมภพผมเป็นเพียงเพื่อนกันนายานามิเท่านั้นผมยังเป็นครูบาเป็นอาจารย์ของใครไม่ได้แล้วก็ขอบอกให้ทราบ ว, ว่าท่านต่างหลายอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นกับนิกายที่เราเป็นธรรมยุทธหรือมหานิกายก็ให้ฉีกยี่ห้อนี่ริงสิอันนั้นเป็นเพียงสมมุติที่ตั้งกันเกิดมาพระพุทธเจ้าท่ า, ทานกล่าวว่าขึ้นชื่อว่าโค oh ไม่ว่าจะสีดำสีขาวสีแดงถ้าได้รับการฝึกแล้วก็ใส่เกวียนใส่ไถได้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่างัวตัวขาวๆจึงจะใส่ไถได้งวตัวแดงๆจึงจะใส่เกวียนได้ไม่ใช่อย่างนั้นจะหอมฮาจีวอนสีเหลืองหรื อ, รอ ส, สีกลักสีกลึกอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากจิตใจได้ฝึกขัดอบรมในทางที่ดีที่งามที่ถูกผิดต้องก็ได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนิสายใด ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจไว้ก่อนทีนี้เมื่อป ร, รบถึงพวกเราทึ่งเป็นพระหนมเนนน้อยแล้วก็อยากจะพูดกันต่อไปว่ามันเป็นบุญเป็ น, ป น, ป น, ปนวาสนาของเราที่ได้มาเกิดอยู่ในจังหวัดสกลนครแล้วเดวที่ท่านทราบไหมว่าในจังหวัดสกลนครเนี่ยาศาสนาคริสต์มีคนนับถือมากอันดับหนึ่งของประเทศไทย เมื่อปีพศ2527 3ามปีก่อนผ่านมามีเขตมิสซังถึง63เขตคำว่าเขตมิสซังนี้ก็คือวัดที่ขึ้นทะเบียนตรงต่อวาติกันที่กรุงโรมประเทศอิตาลีวัดในทางศาสนาคริสต์แต่ในปีนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยก็คงจะต้องเจิดติบขึ้นไปแล้วทำไมในสกลนครของเราเนี่มีครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก อย่างท่านอาจารย์มั่นอาจารย์ฟันอาจารย์วันท่านอาจารย์แบนอาจารย์อะไรต่างๆหลายๆองดังทำไมจึงประชาชนจึงต้องทุ่มเทหัวใจไปกับต่างศาสนาซึ่งผิ ด, ผ, ดผิดกันกับจังหวัดอื่นน่าคิดนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นสาเหตุที่ให้เราควรจะได้พิจารณา ถึงบทบาทของพระสงฆ์และจุดยืนอันเด่นชัดของคณะสงฆ์ของเราในเขตจังหวัดสกนครอันนี้เราจะพูดกับใครพูดกับผู้รับผู้ใหญ่เราก็มีไม่มีอำนาจบานนาไม่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอภาสเราก็เลยมาปรัรบกันกับพระภิกษุนุมเนนน้อยที่เรากำลังมาฝึกมหาศกกนเนี่ยพระพุทธเจาท่านกล่าวว่าโยฮาเวทฮโรภิกข e, ุยินชันติพุทธสาตะนะ ถึงนม้จะเป็นพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยถ้าหากฝักไฝ่ขวนขวายต่อกิดการของพระศาสนาแล้วโซอิมังโลกังประพาเซติอัพามุตโตวะจันดิมาภิกษุสษามเณรเหล่านั้นก็จะยังโลกนี้ให้สองสว่างเหมือนพระจ้าโครจร อ, ออกจากกลุ่มเม้กันนั้น ตรงกันข้าม บ, บวชมาสัก1ิบยี่สบสามสิบสี่สบห้าสิบปีกินข้าวชาวบ้านขออภัยที่เต็มฐานมีปัจจนาานญาณไม่เกิดเพราะไม่เคยประพฤติธปฏิบัติยิ่งทุกวันนี้พระสงอค์เจ้าของเราย่อหย่อนพระธรรมวินัยมากพร้อมกันนั้นก็ยังดูถูกในการปฏิบัติเวรคืนให้แก่พระพุทธเจ้าบอกว่าการประพฤติธปฏิบัติต่างศีลต่างสมาธิปัญญาเนี่ยมันหมดสมัยแล้ว หมดยุค ข, ของพระ อ, อรหันต์หมดสมัยแล้วลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่อพับที่สุดในยุค ข, ของเราแต่พร้อมกันนั้นมักจะดูโถงเหกวี่เย่ยถากถางพระนักปฏิบัติที่ตั้งใจบวชปฏิบัติลักษณะเช่นนี้ผมอยากจะฝากท่านทั้งหลายในเมื่อเราได้มาทุ่มกันฝึกฝนอบรมทางอาธิคิเตคาแล้วเราจะต้องเข้าใจอย่างหนักแน่นมั่นคงให้อภัย ตอพวกที่ดูถูกอยาดยามอีกด้วยเพราะนั้นต้องต้องมีใจบริสุทธิ์ใจเมตตาปาหนึ่งประกอบไปด้วยปัญญาเพื่อจะยังศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเปิดเผให้อภัยกันได้ยอมกันได้พอมเคยไปวัดใหญ่ๆหลายๆเห่งถูกเขาดูถูกเยอะเยอยททางหาว่าเราเป็นพระโง่เปอะอะไรต่างๆแล้วเบียบบิหนหยไม่มี เขาไม่มีความโกรธเลยแต่มีความรู้สึกสงสารท่านเหลนั้นที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจยิ่งที่ในถือวิัยอย่างเข่งคัดแล้วก็ดูถูกคนอื่นทั้งนั้นทั้งหมดนั่นแห่ะถ้าท่านเหล่านั้นได้ศึกษาให้ละเอียดให้รอบครอบสน่อยก็คงจะไม่ดูถูกไม่ยกตนของท่านไม่มีมานะ์ไม่มีทิฐิมากจนขนาดนี้เรนนี้แตกกันเป็นก๊กเป็นหล่เป็นเส้นเป็นสายเป็นหมูเป็นกันน้ำกัน แล้วก็ตั้งข้อรังเกียจซึ่งกระกันทำยังไงเราจะเห็นภาพเหล่านี้ให้พระสงฆ์องค์เจ้ารักสมักสมานสามัคคีกันมองกันเหมือนน้ํากับน้ํำนมเข้ากันได้อย่างนั้นมองกันด้วยสายตาอันเต็มด้วยความปรางอ์พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าด้วยควาภิกษุท่างหลายในทิศใดก็ตามถ้าหากภิกษุรักสมักสมานสามัคคีกันเข้ากันได้เหมือนน้ํากับน้ํานมมองกันได้ มองกันด้วยสายตาอันเต็มด้วยความรักพูดกันด้วยถ้อยคําไปแล้วอ่อนหวานในทิศเช่นนั้นจะกล่าวประยายเพียงแต่คิดแม้แต่จะให้เราเดินไปเป็นประยะทางเป็นโจโจ้เราก็พอใจที่จะไปแต่ในทิศใดทางใดพระสรงองค์เจ้าไม่สมัครสมานสามัคคีกันเข้ากันไม่ได้เหมือนน้ํากับน้ํานมมองกันด้วยสายตาอันเยียดยามในทิศเช่นนั้น อย่ากล่าวไปเลยว่าเพียงแต่เราจะเดินไปเพียงแต่คิดไปเท่านั้นก็ไม่เป็นทิศที่ให้เกิดความผากสุขแก่เราที่ผู้เจ้าหันเคยพูดไว้ในเรื่องอรหันต์ตรณี์จะชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้คิดได้ฟังกันก่อนตักเล็กน้อยออเพื่อจะได้เป็นบรรทัฐานในการต่อไปปฏิบัติ ในเมื่อใดเรามีมานะมีทิติคอยดูถูกคนอื่นอยัางในวัดที่เนี่ยผมเคยบอกเพื่อนสะทำมิกบ่อยๆว่าอย่าไปตั้งข้อรังเกียบคนอื่นจนเกินไปแล้วมันจะทําให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่างเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนมาร่วมเพิ่มขึ้นและบางท่านก็ไม่คุ้นเคยกับการชันอาหารทั้งเดียวไม่คุ้นเคยกับการชันในบาทและสําหรับที่นี่ก็คุ้นเคยกัน่คุ้นเคยกันมาก แล้วก็จะไปดั ง, งเกยียนองค์อื่นว่าชันสองครั้งชันไม่ผ่าช น, นะเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่ศินวิในที่บังคับให้ทุกองค์ต้องทำอย่างนั้นข้อนั้นเป็นเพียงวัดที่ลิวัตุบ่งเขาวัดวัดกับสินนี้ไม่ใช่อันเดียวกันศินนี้จะต้องทําด้วยกันทุกองค์ไม่มีใครยกเว้นได้แต่วัดนี่แล้วแต่ใครถ น, นัดเพื่อจะขู่กลาวเผาลมกิเลส ข, ของตนเองอันเป็นฝ่ายฝักฝ่าย ตรงกันข้ามกันอย่างฉันในบาทเป็นวัดเห็นตนเองฉันในบาทเป็นวัดแล้วจะไปดูถูกองค์อื่นว่าทำไมต้องฉันในพาฉันนะไม่ดีไม่งามอะไรต่างๆตนเองฉันครั้งเดียวไปจะไปดูถูกเหยียดหยามองค์อื่นที่ฉันสองครั้งเราอยู่ที่นี่เหมาะแล้วละครั้งเดียวในฉันในบาตเพราะมันไกลบ้านอีกด้วยแต่เวลาใดไปในบ้าน เขาเอาบุญบ้านอาหารเยอะแยะเขาจัดมาเป็นสำรับสำรับแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมายกเอาออกจากบาตรเยอะแยะจนไม่มีที่ไวแล้วก็เอาอาหารมาใส่ อ, อะไรต้องมาใส่แล้วมันยุ่งยากไปหมดเสียเวลามันพ่อผูธเจ้ากสอนให้เราฉลาดไม่ได้สอนให้เราโง่อย่าไปยึดมั่นถึอมั่นจนเกินไปแต่ที่ดีตามปกติที่นี่ก็ต้องฉันในบาตแล้วก็ฉันครั้งเดียวทีนี้เพื่อนที่มานี่ก็ไม่ต้องอับอาย ว่าไม่เหมือนเพื่อนแต่ก่อนก็ฝึกไปเถอะเดี๋ยวมันก็เป็นนะครับเอกย์บอกขั้นเมื่อไรกับนั้นทีน่นี้เรื่องศีลก็เหมือนกันเมื่อกี้เราพูดเรื่องวัดอยากเรามาอยู่ที่นี่ฉั้นมนบาตเป็นวัดฉันนส้นเดียวเป็นวัดอยู่โคลนมากเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดไม่นอนในกุฏิที่มุงที่บงังตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่เรากําลังฝึกอบรมกันเนี่ยลักษณะ น, น, นี้คือวัดข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกล็ เราขัดเก่าไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อน่ามันดีกว่าคนอื่นแล้วก็ไปยกตนของ่คนอื่นอะไรต่างๆเราไม่เอานะอย่าเอามันไม่เป็นมงคลแก่เราด้วยนั่นก็ทำให้เรามีตัวมี ต, มตนยึดมั่นถือันนยิ่ีนี้เรื่องศีลเรารักษาพภ า, ายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิกขาบทที่เป็นเบื้องต้นของพโมจัน จะต้องสมาทานไว้ด้วยชีวิตเบื้องต้นของพหมจันคืออะไรอาบัติปรารชิกสังขารที่เศษพวกนี้หนักหนักเนี่ยอาบัติปาราชิกนั้นเป็นเบื้องต้นพมจันอย่างบุมแลนร่วงเกินไม่ได้ว่าเด็ดตีนขาดเราไม่เอาส่วนสังขารที่เศษนั้นอนนั้นว่าเป็นการอาพาธทางพระวินัยอย่างเข้าขั้นโคมา่าถึงกับขนาดว่าผ่าตัด ถ้าใครต้องอาบสังคายนิเสแล้วจะต้องถ้าเป็นไข้ก็เปรียบเหมือนต้องผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินต้องหยุดดำพวกนี้เราเล่ษาไว้ชีวิตนะอย่าไปละลหลวัวไม่เด็ดขาดแต่นอกจากนั้นบางข้อเราอาจจะจำเป็นอย่างเรากวาดอะไรไปเนี่ยอย่างเราขุดดินเนลงไปบางครั้งมันจำเป็นเนี่ยมันก็ต้องแน่ๆแล้วอาบปัจจิตีอย่างนี้ อย่างน้ําที่เราเดื่มเราช้ำอะไรต่างๆนี้ยอาบัตเล็กๆน้อยๆเหล่าเนี้ยไม่เป็นความอาบับต่อการบรรลุโลกุตละธรรมแต่อย่าไปจงใจทํานะแต่ถ้ามันจําเป็นเราก็อย่าไปให้มันเศร้ามองเพราะว่าพระปุถุชนโดยยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติทางจิตที่เรียกว่าอธิกิติอธิจิตาสิกาเนี่ยตองอาบัตไปจิตตีทํายุงตายตัวหนึ่งก็นั่งกุมขมับทั้งคืนเศร้ามองอยู่ทั้งคืน นี่คือความโง่โง่งงที่วิ่งไปสัปปตาไปพวกอมาความจริงเมื่อรู้เท่าทันด้านั้นวราปล่อยวางไปเถอะ เ, เล็กน้อยพระพุทธเจ้าหั่นตัดไวท้ที่ติกนริบาอังคุเตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบหน้าที่ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดข้อที่สามร้อยภาคภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยก็หน้าที่สองร้แปดสิอง ท่นพูดไว้ชัดเจนว่าภิกษ์ในพระธรรมินันนี้บทมาแล้วเธอได้สมาทานสิ้นให้บริบูรณ์มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณเธอทำโอลมภาชีย์สั่งโย์ให้สิ้นไปเธอเป็นโสดาบันแต่เธอก็ยังล่วงเกินสิกขาบทเล็กๆน้อยๆเธอยังออกจากสิกขาบทน้อย ไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวว่าเป็นความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กๆน้อยๆและออกจากสิกขาบทเล็กน้อยเหล่านี้สิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นของพโมตั์เธอสมาธานให้อย่างยั่งเยินมั่นคงโยกท่านพู้ไปจนถึงอัลหันเธอทาสังโยชน์ทัท้งสิบให้สิ้นไป บรรลุอรหันต์แต่เธอก็ยังล่วงเกินสิกขาบทเล็กๆน้อยๆอยู่ไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาับปางต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุแต่ว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและการออกจากสิกขาบทเล็กน้อยเหล่านี้สิกขาบทเหล่าใด้เป็นเบื้องต้นของพโมจันเธอสมาทานให้ยั่งยืนมั่นคงแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังต้องอบัางนะครับ แต่ว่าเราจะไปจงใจทำมันแล้วก็เมื่อมันต้องขึ้นมาเล็กเล็น้อยน่อยก็อยากไปเป็นทุกข์กลุมมข้ามาว่าโอ้สมาธิเราไม่มีแน่ๆที่นี่เราเศร้ามอง <c oughs> ในสมัยพุทธกาลโน่นคนเป็นพระอรหันกันเยอะแยะยังไม่มีหลอกอวบป่าระชงละชิกสังขารปาจิตีนิสคีก็มีศีลอยู่สี่ข้อ คือปฏิโมกสังบรลัํรวมกายวจาใจและชั่วทำดีทำจิตให้ผปองใสอินทรีสังบรลตํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจยควบคมด้วยสติทุกข์อาชีวะปรลิสุท ธ, ธิสินบริสุทธิ์้วยการเลี้ยงชีวิตไม่โกหกไม่ลอกลวงไม่ยั้งยอกลอกลวงไม่ทำเครื่องรางของของังสักกม่อมเฟกระบานทำน้ำมน อะไรต่างๆไม่เอาทั้งนั้นเ อ, อี้ยงชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ไปขอไม่ออกปากมีก็กิดมีอะไรก็เอาอันอย่างนี้ไม่เป็นหม้อทํานายบอกเลขบอกหวยมอกันลูกซื้อลูกหวนลูกศอนมหาอุดหยุดปืนใหญ่อะไรไม่เอาทั้งนั้นแล้วสี่ข้อที่สี่ก็ปัจจยะปัจเวขนะพิจารณาก่อนใช้ก่อนบริโภค ปัจเจศิ์อย่างที่เราฉันเมื่อเช้าเราพิจารณาพาตปจะ เ, จเวยะทยทธาปัจจยังกววัตมาณังคาปุมะตะเมเวตังและเราก็ไปพิจารณาอาหารตังคณิะประเจเวทปฏิสังขายโยนิโสปินตะปังปฏิเสวามิเราพิจารณาโดยแยกขายแล้วจดขัดนั่นแหะเป็นสิ่งนะเพราะฉะนั้นท่านได้มาจากที่อื่นมาที่นี่ และเห็นที่มีสวดกันแปลกๆก็อย่าแปลกใจแล้วก็อย่าต้องอับอายเพื่อนเลยว่าเราไม่ได้ก็เพราะว่าเราอย่างไม่เคยที่วัดของเราคูบาอาจารย์ของเราไม่พาทำก็อย่าไปอายเพื่อนนะครับไม่ต้องอายไม่ต้องอายถ้าท่านสวดไม่ได้ท่านนั่งฟังพิจารณาตามดีไป ด, ดีท่านอาจจะเกิดขนลุกขนพองนึกถึงสมัยพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านอยู่อย่างนั้นกินอย่างนั้นมีลักษณะเช่นนี้ แล้วถ้าหากว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างดีอย่างงามแล้วก็พยายามที่สุดการตำหนิตีเตียนลังเกียจเดียดฉันคนอื่นจนเป็นทุกข์ผมเคยขึ้นรถมาจากสุรา ธ, ธานีครั้งแล้วก็มีพระขึ้นมาสามองค์สององค์องค์หนึ่งก็ยังหนุ่มยังหนุ่มทังสองแต่องค์ที่เป็นหัวหน้าใส่แว่นตาสีดำดำรู้สึกทานจะแสดงความลังเกียจ เห็นผมควักออกพักเงินออกมาจ่ายให้ค่ารถแต่ท่านนั้นมีพ่อขาวน้อยไปด้วยและเอกองค์หนึ่งก็คุยกับผมดีอง์ลองออกมาในขณะที่ท่านฉันน้ําผมก็ผมลืมกระติกน้าไว้ที่สวนมกผมจะขอน้าท่านฉันผมก็เลยบอกว่าเออขอขอโทษครับผมอยู่น้ําท่านพอจะให้น้ําผมฉันได้ไหมท่านมองขวาง ท่านไม่อยากให้ร่วมแม้แต่กินน้ําท่านก็นเลยมีกระติกน้ำอยู่ในนั้นท่านไม่ให้ร่วมขันร่วมอะไรให้ให้เด็กมันบอกว่าไปซื้อน้ํำแข็งเป่าทาวาอืมแต่แล้วก็น่าสงสารท่านเหมือนกันท่านจะมาที่อุบลท่านมาจากสุราษฎร์แต่เรเวลาก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันกับท่านที่เป็นหัวหน้าจะคุยกันกับท่านที่ เป็นรองแล้วท่านก็เลยถามว่าอยู่สกล น, น, นคร เ, เคยรู้จักอาจารย์สมภพไหมเคยได้ยินไหมผมก็บอกว่าเคยได้ยินก็เลยถามท่านว่ารู้จักอาจารย์สมภพมผมฟังเทปในเทปเกี่ยวกับการปฏิบัติรู้สึกว่าท่านพูดได้ดีมาเผมก็เลยบอกว่าผมก็รู้จักอยู่อยู่อยู่บ้านเดียวฝากเพื่อนสะทนิกทั้งหลาย ที่นี้ น, นม้นในแง่มมของการปฏิบัติตนเพื่อพระศาสนานั้นเราอย่าได้คิดว่าแม้เราเนี่ยเป็นตัวเล็กเป็นสามเณรตัวเล็น้อยหรือเป็นพระหนุ่มๆไม่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาแด่เป็นแจกเป็นโตเป็นพระครูจะคุณเป็นพระเถระอะไรก็ไม่จะทําอะไรได้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าแม้จะเป็นพระหนุ่มเล็กน้อย ถ้าหาเป็นผู้ขวัญขวายในกิจการของพระศาสนาแล้วพิสุผู้เช น, นั้นแหละก็จะยังโลกนี้ให้ ส, สว่างเมืออพระจันโคจรออกจากกลุ่มมิ่ดังที่กล่าวแล้วที่ว่าโ oh ah ยคะเวทะฮโรโอพิสุอิทัญติพุทธศราบสนังโซอิมังโลกังปภาเซติอภามุตโตวัจติมาไม่จะเป็นพระพิกษุหนุ่นถ้าหากขวัญขวายเพื่อกิจการของพระศาสนา ที่สุดนั้นก็จะอย่างโลกนี้ให้สว่างมืง่อพระจัโจอนโคจรออกจากกลุ่มเมฆฉันั้นที่ว่าโลกสว่างนั้นไม่ใช่ว่าโลกนี้ไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรโลกนี้มีทั้งนั้นแต่มันมืดบอดบาทางหน้านจิตใจทางหน้าวิญญาณจําเป็นอย่างยิง่งเห็นสามัเณนไม่น้อ ย, อยที่ตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในขณะนี้ปราบเพิ่มยินดีที่สุดเลยครับนิบในใจ เพราะาเราจะเป็นหาดูที่ไหนอีกอย่างนี้ไม่มีถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ยางส่งพระชนมายุอยู่พระองค์ก็คงจะยิ้มอย่างชื่นใจโ อ, โอ้ลูกของเราตั้งอกตั้งใจทําอย่างดีเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วนะทีนี้ในบ้านเราเมืองเราในยุคนี้ในสมัยนี้เขตของเราเี่ยไม่ค่อยจะมีกันดูแล้ว ให้เราทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นเนนก็ยังสามารถรักษาภาษาศาสนาไว้ได้อย่างาาราประเทศซีลังกาประเทศซีลังการ์นี่สมัยหนึ่งตกเป็นเมืองขึ้นของพวกคอรันดาพวกโปรตุกเกสพวกอังกฤษเปีป่ยนกันมาเป็นเจ้าของ400กว่าปีตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งผู้นับถือาศาสนาคริสต์ แล้วก็ได้เบียบเบียนพุทธศาสนาวัดวาอารามกลายเป็นสำนัก ง, งานพระสงฆ์เจ้าศึกไปจนหมดทั่วทั้งแผ่นดินประชาชนพลเมืองหันไปนับถือศาสนาคริสเข้ารีบถือคริสได้เป็นเจ้าเป็นนายในการศึกษาอะไรต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็พากันศึกกันหมดไม่มีใครเหลือเลยที่นี่มันก็เลยเหลือเนิน ในสระนังกรแห่งหมู่บ้านบินนวิทย์มาเละยะชนบทนี่คนนี้เที่ยวบินตบาดขอขานกินและก็เก็บรวบรวมหนังสือใบลานที่จานเอาไวข้ขาดขาดวินบินไปเก็บตรงโน้นใบตรงนี้เดใบม า, าศรรึกษาซึงพวกต่างศาสนาเขาทำลายจนในที่สุดเนนนี้สามารถเข้าใจพระธรรมวินัยอย่างดีแล้วก็ประพฤติปฏิบัติทางสมาธิภาวนา รวบรวมเพื่อนเนรทั้งหลายหรือเพื่อนเด็กทั้งหลายที่มาอยู่ด้วยบวชเนนให้ก็อยู่กันประมาณสิบกว่ารูปข่าวเล่าลืกันไปทั่วทั้งแผ่นดินเมืองลังกาอย่างพระซึ่งความจริงเป็นเนนและในที่สุดพระเจ้าแผ่นดินก็อยากรู้เห็นเป็นเรื่องแปลกปรหลาว่าทำไมยังต้องมีพระมีเนรอยู่มันควรจะหมดไปแล้วก็ให้ราชบุรุษมาตามเอาไปที่วังพรมนเนรนี้ก็เลยเทศ ให้พระเจ้าตริราชสิงหะฟังจนพอใจในที่สุดพระองค์ก็เลยกับมือกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วเป็นดีปล่อยทิ้งศาสนาที่ทานมาถือศาสนาพูดดังเดิมเสร็จแล้วก็ประกาศให้พระทรงในกรให้ฟ้าอนาประชาราเรียงภายใต้เบื้องดุขอนบาทของพระองค์หันมานับถือพุทธศาสนาตามพ่อแม่บรรพบุรุษที่เคยนับถือมาแล้วก็ให้เนริบวชเป็นพระสังฆราช เนนบอกว่าฉันบวชไม่ได้ไม่มีอุปชาจำเป็นต้องมาขอพระที่ประเทศไทยสมัยกรุงศอยุธยาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ส่งพระไปพระอุบาลีคุณู ป, ปมาจาร์พร้อมด้วยลิกสุเป็นคณะไปสิบเอ็ดรูปไปบวชชาวสิงหอนเกาะลังกาโกนผมบวชกันยกแด่เป็นหมื่นหมื่นผ้าเหลืองเื่ออาลามกาสาวพั ปื้นคืนชีพในแผ่นดินสิงห์หนเกาะลังกาด้วยความพยายามปักไปขวงขวายของสามัึ่งสลาลังก่อนตัวนิดน้อยแล้วพวกเราชาวสกลนครเดี๋นี้ศาสนาคริต์าดเข้าไปตั้งผมคิดว่าเดี๋ยนี้ต้องเจ็ดสิบเขตนิดตังมากกว่ามากกว่าจังหวัดอือ่น ทำไมพระรงองค์เจ้าดีๆดังๆอยู่เมืองสกลนครของเรามีเยอะทําไมกลับมาเป็นอย่างนี้สาเหตุหนึ่งก็คือพระรง์องค์เจ้าส่วนมากที่ประพฤติปฏิบัติไม่ดีไม่งามย่อห ย, ย่อนพระธรรมวินัยเป็นช่องว่างช่องโบวให้คนต่างศาสนาตอกลิ้มสลักตีให้มันแตกกระจายยุ่งหลอกลวงบอกประชาชนว่าพระรงองค์เจ้าไม่มีคอนทริบิวชั่นอะไรแก่สังคม เป็นแต่เพียงผู้บริโภคไม่เป็นผู้ผิดพร้อมกันนั้นก็เอารัดเอาเปรียบร่ำรวยมั่งมีนั่งรถเก๋งติดแอปกุกอุติวิหารอย่างพระราชวังบางแห่งมีพระหา้าองค์หกอ ง, อ ง, องแต่ที่ปลูกสร้างเป็นล้ลานๆอยู่ดีกินดีเหมือนกับพระราชาชาวบ้านทุกยากลงุกวันทุกวั น, วนหลังสู้ฟ้านหน้าสูดินปากตัดดินที่าแบกหลังนุ่น เขาไม่ได้ยืนคืนไม่ได้โยห์หามาเลียงปากเลียงคลองดิ้นรนต่อสู้ยื้อแย่งสแสวงหาได้มาส่วนหนึ่งยังมายกใส่เก้าเท้าใส่หัวเท้าไหวท่านและท่านเหล่านะั้นไม่ได้ทําอะไรกับร่ำรวยมั่งมีเขาชี้ช่องตรงนี้นะเห็นพระนัง่งรถเก๋งสเตอริโอมีอะไรตังนางเขาโจมตีในที่สุดในภาวะเศรษฐกิจบีบพันประชาชนก็หันเหลังเล็กให่เอถ้าจะเป็นอย่างนั้น ถ้าไปถือศาสนาผมไปเข้าศาสนาผมเนี่ยเก็บไข้ได้ป่วยมีหยกมียาหนานหนาวมีผ้าห่มมีเสื้อผ้าใหา้ทุกยากลำบากมีทุนให้ด้วยง้งเอเงาเซาะซับมีโรงเรียนให้เรียนเอาสิที่นี่ระบบเศรษฐกิจเบีแบพบันคนก็หันเหนแล้วพวกเราผู้เป็นพระสองค์เจ้าที่ถือ ว, ว่าเป็นทหารแห่งธรรมจะรักษาพุทธศาสานากันไว้ได้ไหม ถ้าหาเราไม่เอากันจริงจริงจรงจริงปึกษากันจริงปฏิบัติกันจริงรีบกันจริงถ้มันได้ประโยชน์จริงลักษณะเช่นนี้เนี่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ายุนชันติพุทธสาสนเองขวัขวายกิจการเพื่อ菩萨ปาสนาโซอิมังโลกังประภาเสติอภามุตโตวจันทิมาภิกษุนั้นก็จะย่างโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันโคจรออกจากกลุ่มเมฆกันนั้น ศีนบวชกันมาสี่สิบห้าสิบปีกินข้าวชาวบ้านขี้เต็มฐานวิปัตนาญาณไม่เกิดเพราะไม่เคยกระทำสมาธิภาวนาเอาเลยอิย่งไปกว่า น, นั้นได้เป็นใหญ่เป็นโตที่พุทธเจ้าท่านกล่าวว่าหนทางเสื่อมของพระศาสตตนาต่อไปในอนาคตพระผู้หลักผู้ใหญ่พระเทระออกเข้ามาบวชแล้วไม่พยายามาาศึก ษ, ษาอาธิสิทจิตตสิกขาอธิสินติกขาที่จิตตสิกขาทีา่ปัญญาสิกขา ไม่อบรมกายไม่อบรมสินไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาให้ดียิ่งแล้วในเป็นใหญ่เป็นตอก็บวชคุณะบุตรให้คุณบุตร ท, ทั้งหลายบวชเมื่อคุณบุตรทั้งหลายบวชตามหลังแล้วครูบาอาจารย์นั้นก็ไม่ได้สอนไม่ได้อบรมกายอบรมสินอบรมจิตอบรมปัญญาไม่ศึกษาให้ยิ่งถึงอธิสินสิกาที่กิตติกขาที่ปัญญาติขาคุณะบุตรเหล่านั้นก็เห็นเป็นแบบอย่างก็งเลยอยู่ไปเลยตามเลยพระเทละสะสม พวกปัจใจสีมั่งมีสีสุขพวกคุณบุตรบวชทีหลังก็เห็นว่าอย่างนี้คือสิ่งที่ถูกต้องก็สะสมนี่พุทธเจ้าทางเก่านี่เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ศรพนาส ศ, า ศ, า ศ, าศาอยู่ไม่ได้นานเป็นไปเพื่อความไม่สั้งมันเป็นไปเพื่ออนุประทานของพระสรรพน า, ศ า, ศ า, ศาและอีกอันหนึ่งคําสั่งสอนอันใดซึ่งเป็นหัวใจเป็นแก่นแท้เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่เหนือนโลก เป็นถ้อยคำอันละเอียดอันลึกซึ่งอันกว้างขวางอันประกอบไปด้วยความไม่ยึดมั่นเตอมั่นคือความว่างหากมีใครนำมาพูดมาเทศมาสอนจะไม่มีไ ม, ม่มีใครสนใจจะใฝ่ฟังแต่เมื่อในคำสังสอนของสาวกทั้งหลายแต่งขึ้นใหม่เป็นนักกวีแต่งขึ้นถ้อยคาไพเราะอักษรสระสระย้ยเป็นเรื่องนอกแนวผู้คนจะสนใจเป็นอย่างดี เอาง่ายๆถ้าหากว่าพวกเราจะมาเทศให้กับฟังในเรื่องติมตามาทิปัญญาอะไรต่างๆไม่มีใครสนใจดูวัดของเราเนี่ยเข้ามาท่านจําได้ไหมว่าเราไปบินทบานมีคนไปบา้านกี่คนเจอได้ยพวกนั้นจำได้ไหยนะ ไ, ไม่มีใครจำได้เนอผมบอกแล้วว่าเข้าบ้านเนี่ยเหมือนกับเข้าไปในแนวรบเหมือนทหารเข้าไปในแนวรบท่านทั้งหลายไม่เคยเป็นทหารถ้าเป็นทหารจะในแนวรบเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นระเบิดตูมต่างขึ้นมาไม่จ่าไป็นเป็นกับระเบิดควากน้ำลุมควากอะไรต่างๆหรือข้าศึกยิงมาจากที่ไหนต้องเตรียมพร้อมระวังการเข้าไปในหมู่บ้านมีภัยอันตรายรูปเสียงกลิ่นรดรวมอยู่ในบ้านยิ่งทุกวันนุ่นงน้อยหอมน้อยพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเธอเข้าไปสู่หมู่บ้านไม่สารวมตาได้ดี มาตัวคามผูนุ่งชั่วห่มชั่วคือเจาเว็บเจ้าว่าให้เราเห็นอย่างนั้นและจิตใจเธอก็กระวัดเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถือเป็นอนุพยัญชนะคิดกาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นไรเสียนก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้คล้ายน้ำปลามาแล้วสาวโซฟาคาเคียงไม่เลยพี่ชา้ล่ำยังเงียบเขาต้อยเอาแล้วจิตแปกใจเพพระนมเนียนน้อยถ้าไม่รู้จัก มีสติอยู่ทุกลมหายใจจนสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูี่ผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่มีอดีตไม่มีอานาคตอยู่กับปัจจุบันที่วิธีนคือกําหนดลมหายใจไปด้วยแล้วก็นับคนใสบ่บาตด้วยมีกี่คนถ้ามองไปเพลย่งอื่นมันจะลืมใช่ไหมเมื่อวานผมไปสายบ้านน้อยๆมีคนใส่บาตยี่สิบเก้านคนแต่ผมไปบ้านใหญ่วันนี้ มีคนไปบาดยี่สิบเอ็ดคนพระเหน่งของเราเลือกร่วมสามสิบคนละคนกลับไม่ถูกเมื่อวานมีคนมาจังหันสี่คนเราอยู่กันที่นี้สีลักษณะชินนี้แหละเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนทำไมจึงมากันน้อยที่วัดเราแล้วคุณไปดูที่วัดผีกองกอยวัดผีกองกอย clay, ลอนไปดูตรงไหนบอกเลข ตรงไหนให้เครื่องรางของขังตรงไห น, นหมอเมาประชาชนสิ่งที่เปิดเผยไม่ได้เป็นที่พิสูจน์ไม่ได้ประชาชนจะหลังไหลไปตรงนั้นเพราะว่าคนเหล่านั้นนะต้องการความอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขอะไรจะอํานวยเรื่องทรัพย์เรื่อ ง, องยศเรื่องไมตรีเรื่องความอยู่ดีกินดีให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งปราเถื่นของเขานี่สาหรับคนจนก็ต้องหลั่งไปทีนี้สําหรับคนรวยที่มีแล้ว ถ้ามีเงินมีทองมีอานาจบ้าศสนาแล้วเขาก็เกิดความห่วงความยึดมั่นถรือมั่นในสิ่งนั้นอะไรเล่าจะทําให้เขาปลอดภัยทำชีวิตและทรัพย์สินสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่เขาปาถนาคนจนทะเยอทะาอยานต้องการอยากได้ก็สนองจิตใจของคนจนบอกเลิกบอกห่วยบ้างให้เครื่งองรางของขลันอะไรไปเงี้ยคนจนก็ไปเสี่ยงก็ลังหลไปทุกยากเกณฑ์ไหนก็ต้องไปส่วนคนรวยที่มีแล้ว ท่นมีเครื่องรางของขลังมีเลรียญแจกรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันอะไรให้ทําเป็นเก่งเก่งขึ้นขึ้นให้สิ่งเหล่านั้นจะคุ้มของเขาให้มั่นคงอยู่กับทรัพย์ยศและไม่ตรีปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเขาเขา้าเจ๋งเขากระลังไหลไปทีนี้เราก็มาพูดแต่ธรรมะธรรมะอยู่ยังมีคาให้เข้าใจเขาจะมาทําไมนี่ที่พระพทธเจ้าทาบอกว่าเยเตสุตัน ต, ตาคัมพีราคัมภีรัฐาโรกุตะลาสุญญาตาปฏิสังกิตา สูตรอันใดอันเป็นคาสั่งสอนของเราตถาคตเป็นภาษิตของเราตถาคตเป็นเรื่องดุนเนื้อโลกเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องอันประกอบไปด้วยความว่างไม่ยึดมั่นเลยมันจะไม่มีใครปล่อยฝังเป็นอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายจะต้องเอาใจใส่กันพอสมควรในการประพฤติปฏิบัติอย่าเข้าใจว่าเรามาทําเล่นกันเดี๋ยวนี้ เพราะว่าเราควรจะได้พยายามให้ถึงจุดจุดหนึ่งในการปฏิบัติที่เรียกว่าฟ้าสาังฟ้าสังทางปริยัได้ฟ้าสาังขึ้นมาแล้วแต่ทางปฏิบัติเนี่ยเพิ่งจะรุ่งอารุณ์รุ่งอารุณ์เริ่ ม, ม, ม, ะมจะมีเหมือนกันเมื่อคนมีความทุกข์มากๆอย่างวันนี้ที่ผมเอาจดหมายจากต่างประเทศเขียนมาถามปัญหาแล้วก็มาขอเทปบันทึกเสียงแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติจากนิวเซาแลนด์ ทำไมพวกฝรั่งจึงต้องมาสนใจการเป็นปฏิบัติกันทางจิตมากเพราเพราะว่าเขาได้รับความทุกข์บีพันุ์มาจากทางวัตถุสิ่งที่เขาได้มาและสิ่งที่เขามีอยู่ทางวัตถุนั้นไม่ได้ตอบสนองความอยากขอยเให้สาวสมใจเมื่อไม่ได้สาวสมใจเขาก็เป็นทุกข์เมื่อเขาเป็นทุกข์เขาก็หาทางออกทางองค์เขาก็คือยาเสพติด ยาเสพติดก็ให้เขามีความสุขชั่วข่าวและความปาร์ตนายาเสพติดก็มากขึ้นเอาเท่าไหร่ก็ไม่พอทีนี้เขาก็หันไปแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจปฏิเสธทั้งคอมเศรษสมกันเป็นหมโหเหมือนสัตว์เดรัจฉานพวกฝรั่งนัดกันไปแก้ผ้าที่หาดไม่อามีเป็นหมืน่มนๆคนอย่างเนี้ยที่หาดฟอลอริดาอย่างเนี้ยตำรวจต้องไปจับต้องไประเบิดด้วยกจตน์ตามั่วเซ็กฟีเซ็กแล้วก็สูบยาเสพติด กษณะนเนนี้ก็ไม่ช่วยเขาอิ่มเอมทางด้านจิตใจให้เขาพ้นจากความทุกข์อะไรไปได้ทีนี้บังเอิญหันมาทางตะวันออกก็เลยเห็นศาสนาทางตะวันออกศาสนาฮินดูศาสนาพุทธหรือศาสนาพุทธฝ่ายมาหายานหรือทางทิเบต น, นุ่งกตฏิสอนทางด้านจิตใจพอบัญญับรรัญญังเขาก็หันมาศึกษา ยิงบางคนสืบมาถึงต้นเขาสืบสาวถึงเงุผลเห็นประเทศไทยนี่เป็นประเทศผู้นำทางศาสนาเขาก็หลังไหลจมาศึกษามาคนา้นคว้ามาประพฤติปฏิบัติดังที่จดหมายมาขอเทพผมก็ยังไม่มีเวลาให้คิดว่าอาทิตย์หน้าหรือมีเวลากลับมาจากไปปาฐกถาที่อรั ญ, ญประเทศจาบันทึกเป็นภาภาษาอังกฤษ ม้วนต่อม้วนเกี่ยวกับการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาเป็นงานประกาศศาสนาไปในตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าจะให้เราไปต่างประเทศผมคิดว่าบ้านเรายังทํางานไม่ได้ผลเท่าที่ควรไม่รู้จะอยู่ไปได้อย่างไงเป็นห่วงที่สุดก็คือพระศาสนาเราจะทํำยังไงกันพวกฝรั่งเขาหันมาทางศาสนาขุดเราก็ศึกษาค้นคว้ากันเอาสิ่งเอาจางอีกต่อไปไม่แน่อาจจะเหลืออยู่ที่เราฝรั่ง ผมได้อ่านหนังสือของนายอาเธอร์เอสเตอร์แกเขียนเรื่อง The Lotus and the Robot แปลว่าดอกบัวกับหุ่นยนต์หุ่นยนต์นั่นก็คือวิทยาศาสตร์คือเทคโนโลยีทางโลกตะวันตกส่วนดอกบัวนั่นก็คือพุทธศาสนาสั ญ, ญลักษณ์ที่พ้นออกมาจากตมโคลนแล้วก็เบ่งบานบริสุทธิ์เขาเขียนขึ้นมาดีมากในเนี่ยแลวในที่เขาก็เขียนมาเยอะ เ, อะเราเขาบอกว่าเมื่อใด เขายากจนเข้ามาเขามาศึกษาทางตะวันออกของเราเนี่ยเขาสามารถจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีทางตะวันออกอย่างเรื่องพุทธศ า, าัญหาเมื่อเขาศึกษาแล้วเขาก็สามารถจะมาเพื่อปฏิบัติให้ไปถึงเอ็เซนต์ถึงแกนสารคือความดับทุกเดสทอยสับฟลิงเรือว่าเอ็กซ์เพนชั่นออฟดูกาลายดับทุกไปได้แต่พวกเราสองพันกว่าปีมีพุทธศ า, าัญหาอย่างรูปอย่างคากันย ม, มิ่งได้ปฏิบัติเพื่อจะดับทุก ปฏิบัติเล่ น, ลนหัวคัวกันไปอย่างนี้น่าเป็นห่วงฝรั่งเขาเอาจริงเขาบอกว่าแอ p ฟิพินวีแวร์นอตแบสบาสโธเบเล่แอสทีก็อภัยผมพูดเป็นภาษาฝรั่งสองคำคำแปลว่าเมื่อเราเป็นจิตนั้นเราไม่เลวเลยแต่หมดหวังโฮเลยโฮเลต์แอสทีเชอร์โฮเลตหมดหวังเมื่อเป็นโูสิ่งที่เขาทำได้ดีๆงามทางด้านวัตถุอย่างเทคโนโลยีอะไรต่าง เขาเป็นครูเราไม่ได้คือเราทําที่จะเป็นศิษย์เรียนตามเขาไม่ได้มีแต่ซื้อเข้าไม่มีเงินก็ดาวมมีเงินก็เป็นหนี้เป็นหนี้เป็นหนี้เป็นหนี้อะไรมากเกดมากเกดมาเกมาเป็นอย่างเงี้ยยรัสเซียเช่นเนี้ยเพราะว่าต่อไปนี้พวกฝรั่งเอาจริงอาจริงเข้าเราอาจจะต้องไปเรียนกับฝรั่งนะในทางพุทธศาสนาเราทั้งหลายยังให้เสียชาติที่ได้เกิดมาพบพุทธศาสนานได้บวชในปนะระธรรมนี้เป็นพระหนุ่มเล็กน้อยตั้ง อ, อกตั้งใจ วันนี้เราพูดกันมามานานนะเนี่ยยังไม่ได้ไปเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นชิ้นเป็นอันนึเป็นเก่งเล่นหนามเท่าหาบเห็นตอนสดแต่น้าค่าแขวสะสมิงตายวาวจนเมื่อยไรเงี้ยมั น, ดม น, ดม น, น ไ, ได้เนื้อหาสลายเอียงเลยเนี่ยไม่นแนวเป็นไรเลยเนาะที่นี่เราก็มาพกถึงการปฏิบัติของเราตามปกติที่ผมเน้นที่สุดก็คือเรื่องอนาปานสติ ที่สวดกันจบไปสามมัในแ น, น่นแน่นนอนสวดจบไปมันเป็นขั้นเป็นตอนนะอาณาปานาสติเป็นเรื่องละเอียดละเอียดเริ่มต้นเป็นสมถะเพียงสองขั้นเท่านั้นที่ขังว่าอาัตสันโตแัะสันวาอาัตสันโตอัตตปัสสามิติปชานตินมีความรู้สึกตัวทุ่ดถึงว่าหายใจออกยาวเข้ายาวมีความรู้สึกตัวทุ่ถึงว่าเราหายใจออกสั้เข้าสั้นเพียงแต่รู้เฉยๆตรงนี้รู้เฉยๆพอเริ่ม ขอที่ 3, ท 4, า ส, ส า, ญญ า, า, า, ามที่สี่ไปจนถึงสิบหกใช้คาว่าสิกขติสภกายะปฏิสังเวทีอัตาัสสามิติสิกขติผสมยังกญญายสังขลังอัาตตัสสะามิติสิกขติปติตตสามิติสิกขติใช้คำว่าสิกขติสิกขตินะเริ่มแหละสิกขิติแปลว่าศึกษาอบรมสังเกตอบ s เ, เริ่มก็เป็นวิปัสนา เริ่มต้นสองขั้นเป็นสมาถะเพื่อให้สงบหลังจากนั้นก็มีวิปัตนาคือสังเกตเจอือเจอือเจือไปจนถึงปัะสมัยอย่างกายยสังขารลังทำกายสังขารให้รำ ง, งับแล้วก็สุดเวี่ยงของสมาธิมีความสงบเยือกเย็นเป็นฌานหนึ่งสองสามสี่ว่าว่ากันไปก็สวดเพียงแค่นี้จากข้อที่ห้านี่เป็นเรื่องวิปัฒนาไปเลยแล้วล้วนเลยทิ้งสมาธิไว้ข้างหลัง นี่เขาว่าปีติปฏิสังเวทีปฏิสังเวทีใช้ว่าปฏิสังเวทีชนนั้นพอเริ่มพอเริ่มขอที่าเริ่มพอดีหายขึ้นใช้คำว่าปฏิสังเวทีปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะรู้พร้อมเฉพาะรู้พร้อมเฉพาะสังเวทว่าพร้อมปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะปิิปฏิสังเวทีอสัตสมีติกติที่สุดนั้นทำในบทตุตตาว่า เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติอยากหายใจเข้าหายใจออกเรื่อยไปจนถึงสุขปฏิสังเวทีทิตสร้างคาลังปฏิสังเวทีต้องไปอย่างทิ่จสังคาลังปฏิสังเวทีไปจนถึงปฏินิสข า, านุปติช่วนี้เป็นเป็นปัญญาที่นำที่นำสมาธิสมาธิก็ตามเจือเจือเจือไปมัน มันสัมพันธ์กันเป็นเขา้วเป็นโคเป็นขั้นเป็นตอนนะผมจะขอยกโครงสร้างให้เห็นไปก่อนว่าสองตอนแรกสองตอนแรกตั้งแต่ลมยาวลมสั้นเป็นสมถะล้วนๆเป็นสมถะเพื่อให้จิตสงบล้วนๆใช้คาว่าปะชานณติคือรู้ตัวทั่วพร้อมเฉยเฉยว่าหายใจยาวหายใจสั้นพอเริ่มสามสี่ก็มีคําว่า สิกขติสภาพกยปฏิสังเวทีอสุปัสาสามีติสิกขาติพิจุนั้นทำในบทตึกษาว่าเราเป็นผู้รู้สึกซึ่องอารมณ์ทางปวงรู้สึกซึ่งกายทางปวงหายใจออกทางเชเข้าแล้ว่าปัสสัมภ์พยัญญายาสังคารังปัสสะสิสาสามีติสิกขาติสังเกตว่า ความลงนับลงไปของกายของลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงจนถึงกับไม่หายใจเลยสงบลงนับไปเลยอย่างเนี้ยนี่คือจะเป็นสมถะแต่ก็เริ่มมีวิปสนาอ่อนคือมีคำว่าสิกขติสังเกตมันนะั้นอย่าเพิ่งลงมาพอเริ่มข้อที่ห้าเกิดปีติความสุขนี่มันจะเกิดปีติมันจะเกิดเมื่อจิตตายสังขารลังงับเต็มที่ ลมเงีบคือเย็นแสนจะเย็นไม่เจ็บไม่ปวดนั่งทั้งคื น, นังสว่างก็ยังได้ข้าวไม่อยากกินทั้งวันสามวันสี่วันก็ยังได้นี่คือความลมเงีบลงของตายเมื่อกายลมเงีบลมลำเอียดเจ็นแสนจะเย็นเยิในเนื้อในตัวในหังในหัวมือนเอาน้ําแข็งมาแช่ไว้อย่างนี้มันเกิดปีติเรียกว่าภารณาปีติไอตัวปีตินี้ช่วงนี้เราจะต้องรู้มันจึงแช่คําว่าปฏิสังเวที อันนี้ปัญญานำหน้าสมาธิที่สองข้อแรกแรกนั่นเป็นเรื่องสมาธิล้วนๆใบให้เกิดสมาธิพอข้อที่สามที่สี่นี่เริ่มมีปัญญาเจือกันมากับสมาธิพอมาถึงข้อที่ห้าที่ห้าหกเ็แปดนี่ปัญญากับนำหน้าสมาธิไปเนียมันเป็นเรื่องของวิปัสสนาเพราะว่า ช่วนี้เป็นขั้นเป็นตอนที่จะเกิดอันตรายทุกคนเมื่อจิตเมื่อตายลำงับลงมาลำงับไม่เจ็บไม่ปวดและจิตมันลำงับด้วยโดยโดยอัตโนมัติระหว่างลำงับโดยสมาธิอย่างไม่ใช่เป็นลำงับโดยสติยังไม่ใช่ลำงับโดยวิปัสนาเป็นลำงับโดยสมถะช่วยฟังให้ดีนะช่วยฟังให้ดีผมพูดเร็วๆแล้ ว, ลวท่านต่างยจะฟังไม่คูบ ที่พูดมากๆนี่อยากจะให้เข้าใจหรอกนะไม่ใช่ผมขยันพูดผมก็อยากจะเป็นนั่งพักผ่อนดูจิตดูอารมณ์ดูอานิจังทุกขังอนัตตาตามเรื่องของผมแต่ที่มาพูดออกมาใตตองการให้เพื่อนได้คิดได้รู้ได้เห็นตามไม่ใช่ผมขยันนะทำมาอนะไรน่ะมันบีบมาให้พูดใ ห, ให้มาพูดให้เพื่อนฟังทีนี้ ไี้ตัวปีติที่มันจะเกิดขึ้นจากกายลำงับและจิตลำงับโดยบังเอิญลำงับถึงขั้นเป็นฌานเป็นไรก็ตามมันจะต้องเกิดปีติคือความอิ่มเอิบในใจและปีติเหล่านี้มันเกิดมาหลายลักษณะลักษณะที่ทําให้เป็นบ้าก็ได้รู้สึกตัวเบาแสนจะเบาเหมือนกับจะลอดลอยเปในอากาศเดินไปในก้อนหินคขกขั้เหมือนเดินไปบนสัมบลีอย่างเนี้ยมันทําให้คนเป็นบ้ามานักต่อนนั้ บางคนก็นโดดจากที่สูงออกแก๊สน้าต่างจะเหาะเบี่หามเขาลงพยาบาลมามากแล้วเพราะปีตินี่มันเกิดไอ้มันเกิดหลายอย่างเกิดแบบตัวป๊อเปิเป้ลที่เราอัพลิสติงจอยเพือเป็นภาษาฝรัง่งฝรั่งเขาใช้คําว่าจอยนะไม่ใช่คําว่าเชสไม่ใช่ใช้เนี่ยรับเชอะก็ยังไม่ใช่เลยไอตัวนี้แต่ทางภาษาบาลีใช้คำว่าปีติเหมือนกันที่เรียกว่าเพลงฮาปีติเงี้ยอันดับไลน์ แลรวก็มีพวกโอกันติกาพวกคานิกาอะไรต่างๆมาเป็นละลอกละลอกน้ำตาไหลขนลุกคนพองเยอะ ๆ, ๆต่างๆพวกนี้พวกนี้เรารู้มันเฉยๆที่จะก็บวติสั่งใบที่รู้มันรู้มันฮายใจเขา้ารู้มันเป็นอย่างนี้แต่ความนั่เป็นมันเป็ น, น, น, ปนได้เพราะความละงับตรงห่างตายที่นี่พวกเนี้ไม่เป็นอันตรายแต่ก็ทําให้บางคนกลัวเมื่อคนลุกเมื่อมันเกิด ทานร่างกายในร่างกายต่อทานอะไรต่างๆมักจะกลัวเราไม่ต้องกลัวเรารู้ใจๆแล้วถ้ามันเกิดตัวเบาแบบนี้หลงไปเลยเข้าใจาว่าตนเองเป็นเพราะละหันไปละมั่งอะไรต่างๆนี่เราก็ไม่ยอมหลงรู้เหมือนใจๆแต่ปีติที่เราปาัถนาที่สุดก็คือตัวโน้นภาลนาแผ่ซ่านไปทั้งตัวเย็นแฝงจะเย็น เย็นอมมากๆอวัยวะเพศหดตัวเข้าไปในเบ้ามุ่นะเหมือนถูกยาหดอง์เวทถ้ามันเป็นอย่างนี้บางท่านก็จะบอกแม่เราในปะหานกายเสร็จเรียบร้อยแล้วในสมองในประสาเย็นความจริงไม่ใช่นะมันลำงับจะไม่รู้จะลำงับยังไงแต่มันยังไม่ตายหรอกมันซ่อนอยู่ในนั้นไนงะมันเหมือนน้ําที่มันมันขุนเมื่อมันโดนสารต้มเข้าไปแกว่งหน่อย สารต้ม อ, ออกฤิ์มันก็เลยจับตะกอลงไปนอนก้นนี่ไม่ผิดกันจิตเหมือนกับน้ําที่มันกุนขนส่วนสมาธิก็เหมือนกับสารต้มที่ไปกวนกวนไล่ความอจิตส่วนเกินที่เรียกว่านิบวนนะนิบวนความรักเกินช่างเกินเกียรตเกินโง่งเกินฉล า, าดเกินโคตรคู่อะไรต่างๆอ่อนแอเกิน เราเราไม่อยากจะพูดภาษาบาลีเท่าไรที่เรื่อว่ากามะฉันทะพยาบาทวิจิกิชาทินะมิทะอะไรต่างๆอุทะจะกุกุฏจะเราจะพูดว่าจิตส่วนเกินรักเกินที่เป็นฝ่ายกลามชังเกินเป็นฝ่ายพยาบาทโง่เกินปุ้งโง่เกินนี่ก็คื อ, อสงสัยวิจิกิชา ฉลาดเกินก็คือถ้าจะกุกกุจจะคิดพลานไปหมดส่งไปพิจารณาอะไรเก็บมาคิดไปหมดแล้วก็ง่วงนอนซึมก็ถืออ่อนแอเกิดหรือจะพูดใหม่เรียกว่าจิตที่มันมีความกำหนัดขัดเครื่องหลังเลงสองไสฟุ้งซ่านลำคาญง่วงเหาห้านอนมันถูกสมาธิสกปดมันสารส้ม วนมันมันก็เลยจับตัวเป็นตะกอนนอนในก้นของไซไปหมดในช่วงนี้มันเกิดปีจีตัวที่มันเย็นแตนเยเย็นความรังับทั้งกายทั้งจิตโดยธรรมชาติจนอวัยวะเพศหดตัวเข้าไปภายในอย่างเนี้ยดูให้มันดีๆเดี๋ยวมันก็ออกมาเอกได้เนี่ยมันหดได้ยางงเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นประหารถ้าจะประหารริจริงมันต้องโนด ไปถึงขั้นธรรมานุปัสนาเห็นอนิจจานุปษษัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคายด้วยกวิราคาไอ้ตัวนี้วิปัสนาล้วนๆตั้งแต่อนิจจานุปัสสีถึงปฐมิสขามีคำ ว, ว่านุปัสสีุปัสสีนะไม่ใช่ไม่ใช่สิทธิ์ขติมันไม่นขั้นเป็นตอนที่สมบูรณ์กันมากนะอานาปานาสตินึ่ตึงพระพุทธเจ้าท่านผยนสท่านปเปิดเมากท่านได้ตัสรู้เขะ อ, อานาปานาสติ ถ้าท่านหลายเป็นนักอ่านพระไตร ป, ไปิฎกลองไปค้นดูอาณาปานะสังยุตสังยุตในกายเล็บที่สิบเก้าทีปะสูสทีปะโสข้อที่พันสามร้อยี่สิบเก้าถ้าผมพูดไม่ผิดจำไม่ผิดหน้าที่สามร้อยเก้าสิบ้าทีปะโสที่พุทธเจ้าสารภาพว่าท่านได้ตัดรูเพราะอาณาปันสติดูก่อนที่สุดทั้งหลาย เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสิรูเราจะเป็นโพธิสัตว์อยู่เราย่อมเป็นอยู่ด้วยสมาธิอันสมยุติอานาปานสตินีิแลเมื่อใดเราเป็นอยู่ด้วยสมาธิอันสมยุติอานาปานสติมีกายของเราไม่ลำบากตาของเราไม่ลำบากอาสวะของเราก็พึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นด้วยความพิสุทังหลายท่านทั้งหลายจักพึงหวังว่ากายของเราก็ไม่ลำบากตาของเราก็ไม่ลำบากอาสวะของเราก็จักพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นล่ะไั เธอทั้งหลายจงกระทําดีๆซึ่งอานาปานาสตาเปนี้แล้วแล้วคำพูดไว้ไวละเอียดมากนะหลายขั้นหลายตอนเดี๋ยวนึกว่าพิจารณาดูความไม่ความไม่งามให้มันเกิดเป็นความงามก็ได้เอามายัดไว้ในลมหายใจให้มันงามทุกขณะหายใจเข้าหายใจออกหรือจะพิจารณาสิ่งที่งามให้เป็นของปฏิกูล ก็เอามายัดใส่เดี๋ยวหายใจหายเข้ากับพิจนาเห็นปฏิกูลหายออกไปนะมันกลายเป็นของปฏิกูลไปหมดนะมันละเอียดละเอียดนะครับพุทธิจารย์สันนิษฐานมากไปเปิดดูสั่งยุตินิกายนะสั่งยุตตนิกายอานาปานนะสั่งยุดเล่มนี้ใหญ่นะมีเป็นพันๆข้อที่ผมกล่าวมานี่เป็นทีปะสูตรแปลว่าสูตรอันเกี่ยวกับพิพึ่ง เรายุตริการมหาวาละวักเล่มที่สิบเก้าอิพันธ์ตามรสิบเจ็ดหน้าที่สามร้อยเก้าสิบห้ามันหลายมันใหญ่เล่มใหญ่ล้วมีตัวอย่างของอนาปานสติตรงนั้นเยอะเลยและภาษาริบุตรท่านเคยตักไว้ในคุตการนิกายปฏิสัมพิธธรรมมหาวักอนาปานักกาเล่มที่สามสิบเ็ด